วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าตุลาพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบสามพระรงมาฉันยี่สิบเจ็ดงดฉันเก้าองวันนี้พระสามสิบหกนี่จวนจะออกพรรษาอีกไม่นานความพร้อมหรือว่าเตรียมพร้อมหรือว่าในตัวของเราน่ให้พร้อมการวางแผน หรือว่าการแนวความคิดชีวิตส่วนตัวของเราเราควรจะทำอย่างไรแต่ตามให้จริงก็ให้ยึดแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นมันทัดฐานของชีวิตไว้ก็จะดีพวกเราทุกๆ ท, ท่านไม่ใช่ว่าจะเหอเหอิม ออกไปสู่ทางโลกที่มาบวชช่วงครั้งช่วงคราวเราก็คิดว่าอยู่ในการเป็นอยู่ของนักพรตนักบวชในลำบากแต่มันก็ลำบากจริงๆเพราะมันฝืนมันฝื น, น, ฝนแบบโลกเขาอย่างที่ว่านะโลกธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามันทวนกระแสโลกโลกมไม่ไปตามกระแส กระแสของน้ำอยู่กินหลับนอนอิสระจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ทําได้ทุกอย่างแต่พระภิกษุที่มาเข้าบวมาบวชในพระพุทธศาสนาจะทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตั้งกฎเกณฑ์ว่าอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ว่ากฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านตราออกมาเป็นศีลออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันสวนทางกับการเป็นอยู่ของค า, วารวะด้วยนั้นพวกเราก็เลยอึดอัดเพราะพวกเราเคยอยู่อย่างนั้นแต่มาอยู่อย่างนี้กรเด็บางครั้งก็ทำให้จิตใจของเรา อึดอัดแต่ตามไม่จริงการอึดอัดหรือว่าความไม่สบายใจในจุดนี้ถ้าเราเอาหลักเหตุผลเข้ามาจับเอาหลักเหตุผลเข้ามาประพฤติธปฏิบัติพวกเราจะมองได้เห็นได้ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทวนกระแสมันทวนกระแสของจิตใจถ้าเราปฏิบัติตามโลก มันมีแต่ไหลเลีว้วลงไปสู่ทางต่ําทางต่ําคืออะไรคือกิเลสโลภโกตรตหลงราคะโทสะโมหะหมักหมมหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆคล้ายๆเขาบอกเข้าไปสู่จุดที่หายยนะนาเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไปส่งเสริมกับเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าสิ่งนั้นน่ะ ไม่ดีนะมีแต่ให้ต่ำควรจะสูฝืนควรจะสู้สิ่งไหนควรคิดดูแล้วพิจารณาดูแล้วถ้าคิดให้คิดตามธรรมที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้หรือว่าพูดเอาไว้หรือตัดเอาไวา้ถ้าว่าปฏิบัติตามนี้พวกเราจะต้องห่างเหินจากความชั่ว แต่ใจของเราที่นี่มาถึงเราเราเคยอยู่อย่างนั้นมาก่อนมันก็เลยฝืนกันเพราะเราเคยไปทางน้ามันไหลลงทางต่าอั น, นีนพยายามขัดน้ำขึ้นขึ้นทางสูงมันจะต้องใช้เครื่องพลังอัดดันเพราะงั้นเหมือนกับใช้เครื่องทำไฟหรือว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันดันขึ้นทางสูงอย่างนั้นแต่ถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่อง ทำไฟไม่ได้ต้องใช้เครื่องอัดแรงไม่ใช่ต้องใช้เครื่องปัม๊มมันไหลเร็วเลยเพอปล่อยแต่ขึ้นทางสูงนี่ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำดันน้ําขึ้นสูงถ้าว่าปั๊มน้ำหรือดันน้ําขึ้นสูงสู่จุดหมายปลายทางนะี่คืออะไรเ น, นี่แหละมันฝืนแหละท่นี่มันฝืนใจของเราคือใจของเรามันไม่ชอบแต่ว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องได้ยังไง ข้อที่อยู่ของเราอยู่ในอยู่ในที่สูงแต่เราต้องการความสูงต้องการความสงบต้องการความสุขแต่าการกระทำของเราเนี่ยใย ไ, ไปในทางต่ำแต่ทางสูงนั้นขึ้นมานั้นที่ตามธรรมคำสอนของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้านั้นท่านันขึ้นมาสูงแล้วมีความสุขไหมสุขมีความสุขความสบายใจแต่ถ้าลงไปทางต่ำอย่างนั้นเป็นยังไง มีแต่ความหายนะมีแต่ทางทางทุกข์แต่ว่าใจของเราเนี่ยในขณะนี้เรามองไม่เห็นในความสุขตัวนี้คันคล้ากิเลสมันปิดบังกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธงงมันปิดบังใจของเราไม่อยากจะให้มันไม่อยากจะขึ้นสูงเหมือนกับเด็กเด็กอยากจะกินของหวานเวลาเป็นไข้ ผู้ใหญ่เข า, าเอออย่าไปกินนะถ้ากินเข้าไปแล้วมันเสริมทําให้ร่างกายหรือว่าเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นพราะของแสลงอยากกินนะเด็กก็ยิ่งชอบเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วนะจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้ใหญ่นี่รู้นี้ก็เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าท่านรู้ที่ท่านได้สําเร็จมากสําเร็จผลนะท่านรู้ ว่าถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้นเหมือนกับเด็กที่เป็นไข้เด็กที่ป่วยไปกินของหวานกินของแสลงอย่างนั้นมีแต่ความหายชนะรักษาไม่หายเผยเผยถึงตายได้แต่ทั้งว่าถ้าฝืนบังคับให้ฝืนหยุดในของแสลงแล้วก็พยายามกินยาขมทั้งที่มันไม่ชอบยาขมแต่ก็บังคับให้กินกินยาขม จากนั้นสุขภาพของเด็กคนนั้นก็รู้สึกจะหายวันหายคืนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละท่นหนพอมันหายนั่นแหละถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นอีกเหมือนกันก็พยายามสอนเด็กอีกเหมือนกันนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหาว่าพวกเรามองมองดูกับลักษณะอย่างนั้นถ้าเรา เอาตามอัฐาใจเอาตามอำเภอใจเราไม่ฝืนเลยเที่ยวกินเหล่าเมายาเที่ยวสำมเลเทเมาบายมุกทุกอย่างทำตามอำเภอใจพูดตามอำเภอใจคิดตามอำเภอใจมันก็มีแต่ความหายนะเหมือนกับเด็กไปทานของแสลงอย่างนั้นน่ะแต่ผู้ใหญ่รู้แล้วเออทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกนะเป็นอันตราย ของคนผู้ที่ไปเสพหรือไปทำอย่างนั้นไม่ควรจะทำเตเน่เ อ, าอ้าทำยังไงยาอย่าทำนะเอากินยาเนี่ยกินยาขมยาขมก็คืออะไรก็คือศินห้าเนี่ยแต่น่ให้ทานนรักษาศีนนภวนานะอันนี้ก็คือยาขมในเมื่อเราได้ทานยาขมเราเสียสละก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกัน ของเราได้มาโดยแสวงหาทรัพย์หรือความยากลําบากกว่าจะได้จะตุปัจจัหรือว่าเงินคําทรัพย์สมบัติมาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแล้วจะมาชําระมาจิตใจมาทําบุญทําทานได้ง่ายๆอย่างนั้นมันฝืนใจของผู้กะระทําแต่พอพระพุทธเจ้าจะมาต้องทํานะถ้าเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นอยู่ได้ทั่วยอย่างไรพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาทําไมเราจึงไม่ ไม่มองดูพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็กควรจะเลี้ยงท่านตอบเราอยู่ในประเทศชาติของเราเรามาอยู่ในศาลาหลังนี้เราเอาเงินมาจ้างใช่ไหมใครเป็นคนทำศาลาหลังนี้ให้เราอยู่ให้เรานั่งเงินจาก จ, ากจ่าตทธิตถ้าเรามาอยู่ถ้าเราไม่บริจาคหรือเราไม่ช่วยเหลือชุมชนสังคมจะเลยเราจะมีถนนหนทางบ้านพักพาอาศัยได้อยู่ไหม อันนี้คือสรุปแลก็คือการเสียสละเสียภาษีเสี ย, สสยทำบุญทำทานเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเมื่อตัวเองได้มาโดยชอบทำแล้วก็ควรจะเฉลือเพื่อแผ่ให้แก่ชุมชนและสังคมนี่แหละถ้าเรามองดูเนะ น, นี่ยอันในสงเรียกว่าทานของพระพุทธเจ้าคำนีนะ้การอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละถ้าว่าไม่มีการเสียสละแล้วพวกเราโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไร พรไปที่ไหนมีแต่คนเห็นแก่ตัวอัน่นี้ก็คือฐานศิลก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันให้มีกฎให้มีระเบียบนะลุ้นแล้วต้ฝืนทั้งนั้นฝืนใจของตัวเองตัวเองเนี่ยเห็นใครอยากจะฆ่ามันหมดสัตว์สาลายสิงมดมแมลงไม่ได้คิดอะไรแต่พระพุทธเจ้าชีวิตเขาชีวิตเรานะต้องคิดดูให้ดีนะถ้าเราไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเรานะเรามีความรู้สึกยังไงคิดดูให้ดี ถ้าเขามาคาบ พ, พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาของเราเรามีความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเราไปทําให้แก่เขาเราก็ต้องเราก็ต้องคิดนะนี่แหละสรุปแล้วคือคือสิลของพระพุทธญาน่ะใจเขาใจเราใจเขาใจเราแท้ทว่าใจเขาใจเราทำไมตัวสุราเมระยะมัชฌ a ประมาณมันเป็นเรื่องของเรามันปากของเราเรากินของเราเราเมาของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับคู่คนคนอื่นค่ะใช่ ถ้ากินเข้าไปแล้วดึงเข้าไปแล้วไปอยู่ในห้องในหับมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเสียกต่เสียหายหตัวเองเกิดโรกภัยไข้เจ็บขึ้นมากันนะั่นแหละเพราะอะไรเพราะพิษสุราเพราะกินเหล้าจากนั้นก็ไปหาหมอเดือดร้อนหมอเอี่ยงเก่าจะว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าว่ากินเข้าไปแล้วออกอารวาสข้างนอกนะขับรถขับเรือขับอะไรมีสัตราอาวุธอยู่ในมือพร้อมที่จะ ลังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาได้กระชากราก ล, กลูกหลานสามีภรรยาคนอื่นเข้าได้ขโมยโพยโจรเพราะดื่มสุราขาดสติมันก็เสียหายเพราะฉะนั้นการดื่มสุราคือคือคนขาดสติถ้าคนขาดสติแล้วมันทําความชั่วเสียหายได้มากมายนี่แหละศินสรุปแล้วก็คือฝืนไหมต้องว่าฝืนแน่นอนพระพุทธเจ้าบัญญัติมันฝืน ต้องกินเหมือนกับ ก, กินยาขมคือฝืนนั่นก็คือเหมือนกับยาขมให้กินแต่เมื่อเรากินยาขมแล้วถ้าเราฝืนแล้วจะเนี่ยเป็นยังไงการอยู่ด้วยกันมากมายมากน้อยก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลมีกฎกติกาในการเป็นอยู่นี่แหละสรุปแล้วก็คือธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันทวนกระแสรสรุปแล้วขนาดคิด คิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิก็ต้องได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวความคิดอีกทำยังไงคิดยังไงจึงเป็นมิจฉาคือความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนี่แหละต้องใช้หลักธรรมเข้ามาไปจําใจของพวกเราสรุปแล้วก็ฝืนอีกเหมือนกันโดยมากความคิดของเรามันจะคิดไปในทาง ต่ำมีแต่ความสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาร้องรําทําเพลงคิดไปเลือกกรรมบกิเลตโลภโกรธหลงมันจะคิดไปในทางนั้นมันจะรุ่นไปแต่คิดไปในทางธรรมะให้พิจารณาอสุภะปฏิกูลให้เห็นโทษในวัะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วตายแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นนะร่างกายจิตใจของเราเนี่ยร่างกายของเราตายแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นนะควรจะหาทางออกอย่างไรตายแล้วไม่สูญอีกต่างหากนะ ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้านี่เราก็ต้องฝืนอีกทีนึงนี่แหละฝืนอย่างนี้ขึ้นมามันก็สู้อีกเหมือนกันเพราะมันมันไม่ชอบจะคิดอย่างนี้เพราะมันคิดในแง่แต่ความสวยงามรุ่นเริงบันเทิงสนุกสนานตามอำเภอใจนี่แหละสรุปแล้วทือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝืนฝืนจิตฝืนใจคนไหนก็ตามถ้าอยากจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดี เป็นอุบาสิกุบาสิกาที่ดีเป็นบุคคลดีต้องฝืนฝืนความรู้สึกแล้วเมื่อฝืนไปแล้วก็ต้องใช้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับต้องเอาคนดีมาเป็นแบบฉบับทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหะเป็นคนดีเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาสองพันกว่าปีเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นทอดมาถึงพวกเรา เพราะนั้นขอให้พวกเราฝืนนะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วให้ฝืนจิตฝืนใจฝืนความรู้สึกของตนเองแล้วก็ให้ทำในทางที่ถูกต้องให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาเป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราจะร่มเย็นเป็นฉุกตลอดรนะับพรอนโมทนาให้พร